ก็น้นรัต่อพระตไตรกอการกำนัลสงฆ์จารย์พรจารในธรรมมายังสมเนนคุณแม่ชีแล้วก็อุบาสกเวสกามาร่วมกันทำบุญเช้าในวันนี้ทุกท่านแล้วก็มาใช้ชีวิตกันให้เกิดคุณค่าคุณประโยชน์สูงสุด ที่ผ่านไปแล้ว้แล้วไปมันผ่านไปแล้วปัจจุขนขณะนี้จะอยู่ยางไงใช้ชีวิตยังมีกำไรจนกว่าจะหมดลมาหายใจในี่สำคัญเราก็เลือกที่จะศึกษากายศึกษาใจเรียกว่าไตศิกามีศินสมาธิปัญญาโดยการฝึกหัดลงไปปฏิบัติตรงลงไปเรียกว่าปฏิบัติตม หรว่าการฝึกการจรลสติปัฏฐานมันเป็นทิศทางเป็นช่องทางทำให้เราได้เห็นความจริงจริงๆการสุตตะธรรมาเลยเห็นความจริงเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงของชีวิตเรากายใจของเรามันมีอาการต่างๆมากมายเราตายสุตะหลงไปยึดมันก็เป็นทุกข์ เป็นพบชาติเป็นวัตตาสงสารความคิดนี้เกิดทีเกิดบย่ยคิดดีก็เป็นบุญเป็นคุูสรเป็นความฉลาดคร น, นี้ถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นความหลงโ ง, ง่งม ง, งายต่างๆที่ทำให้เราไม่ได้คำตอบของชีวิตเราต่อไปเราจึงหยุดหยุดที่ะเลือกเลือกที่จะหยุด ต้งยุดไ ม, มีเลือกต้งเรื่องอมีหยุดนะเช่นน้ําที่มันไหลจากที่สูงลงที่ต่ําเวลาฝนตกหนักน้ําจะหลากสูงลงต่ําหรือว่าจากติดเหนือไปติดใต้ก็ลงลุ่มลึกลงไปนะอันนี้การทวนกับ่องแม่น้ําแต่ละสายนะมันจะเกิดอาริยธรรมขึ้นมาเมืองจีนแม่น้ํำฮวงเหอหรือว่า ตางโยุโรปอีกหลายประเทศนะส่วนใหญ่หรือว่าไทยก็ตามน้ำไหลจากเหนือลงใต้รวมไน้ำเจ้าพยาตรงไหนที่วกกับตรงนั้นจจะเกิดชุมชนอารยธรรมต่างๆเกิดขึ้นมาเหมือนกับความคิดของเราเวลามันไหลลงต่ำสุขบายพูมความโลภความโกรธความหลงความรักความชังทวนกลับมาหาความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวมันเกิดปัญญาขึ้นมามันเกิดการเห็นความจริงขึ้นมา มีคุณธรรมต่างๆมากมายอยู่ตรงนั้นนะแต่เคยตามความคิดไปเมื่อคิดแล้วก็โกรธแล้วก็กลุ้มคิดแล้วก็กังวล น, นะตายส่วนไปไปสู่อวัยพูมไปสู่แล้วนาของภูมิต่ำํำกินแล้วก็ทุกข์หลวงตีก็มันไม่รู้จริงๆอ่ะนะเพราะว่าไม่มีใครบอกจริงๆว่าทุกข์เกิดที่ความคิดเนี้ยแต่พอมาได้ยินหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงปู่เทียนเบูดชัด ทุกเกิดที่ความคิดหลวงพ่อเขียนว่าให้ดูดีๆความคิดนีมันมีอยู่ในตัวเราถ้ามีสภาวะของผู้ดูตาในมันตื่นตาสติตาปัญญามันจะเห็นความจริงของชีวิตเราเราเห็นวัตถุรูปธรรมเห็นนมามธรรมมันเป็นตัวชีวิตจีวาของเราแต่ถ้าเราเห็นมันมันเกิดการหลุดพ้นขึ้นมาเห็นกายเป็นรูปธรรม เมื่อก่อนเห็นกายเป็นกูเห็นกายแล้วก็เยอะกายนี้คือกูกายสุขเราก็สุขด้วยกายทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกายป่วยเราก็ป่วยด้วยกายเหนื่อยเราก็ทุกข์ความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกจริงๆแล้วนะหิวหิวก็ทําให้เกิดความทุกข์เกิดการแย่งจริงอาหารกันอย่างสัตว์สาราสิ่งนี้เห็นได้ชัดนะแย่งอาหารกัน เหนื่อยก็เหมือนกันตลอเเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยมันก็จะมีอาการเหมือนกับทำให้เราทุกข์ในชัดเวลาเหนื่อยนะมองอะไรนี่ยมันงุดหงิ ด, งดมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ไหวมันกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านก็ตรงนี้ลนะะคำว่าเหนื่อยมันทําให้เราทุกข์ได้หรือป่วยป่วยแล้วมันเจ็บปวดมันไม่รู้ริง เข้าโรงพยาบาลจะไปเป็นหรือจะไปตายหรือว่าอาการต่างๆที่เราก็ไม่เคยได้เกิดขึ้นมาอายุสี่สขึ้นไปห้าสิบกสิบบางอาการก็ปรากฏขึ้นมาเราก็มันไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นเนี่ยเราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้ น, นหรือว่าบางทีมีล่าหณาของทิติมานะอาตาตัวตนมากๆก็ทำให้ทุกข์ยังมีตัวตนในความคิด ความคิดเป็นตัวเป็นตนคิดแล้วเราก็เชื่อความคิดอย่างนี้เราก็เห็นว่าเนี่ยมันก็คือความทุกข์ทุกครั้งที่คิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทําทุกครั้งที่คิดมันเค้นเค้นเนื้อสมองมันจะเครียดอยู่ในหัวกะโหลกนี่แหละเราเห็นอาการปริยาของความคิดเวลาทํางานแต่ละครั้งมันมันเสียพลังงานมันเปลืองพลังงานมันใช้พลังงานเราพลังงานในตัวเราก็น้อยน้อยนะ ถ้าเป็นบางทีนักกีฬากินเยอะๆนะใจอาหารโปรตีนวิตามินไขมันต่างๆเกลือแร่ต่างๆเพื่อกา ร, รเนื้อโตกระดูกแข็งแรงเอ็นยืดหยุ่นได้ดีได้สุดกระเพาแข่งขันนะอันนี้เห็นว่ามีพลังมากแต่นักบวชเรามันบางทีมันมือเดียวนะแล้วก็อาหารก็ตามมีตามได้นะเราเห็นบางทีมันหมดพลังไปเลยอย่างเช่นขระดนนี้เป็นต้นตื่นนอนมาเนะี่ยมันก็ มือนกัว่าจะต้องขนขวายหายใจเอาพลังงานเข้ามาอาการะธาตุหรือว่าดื่มน้ำํำนี่นะเอาศัยน้ําทาดน้ําเข้ามาช่วยเหลือมันบางทีก็ใช้ทาดินกลุ่มของอาหารต่างๆช่วยเหลือเขาบางคนตื่นมาป่านนี้ก็โอวตินแก้วลงแล้วนมกล่องลงแล้วเ mm hmm. ติมท่าอะไรกับมันเพื่อมีพลังขึ้นมา กนในชีวิตของเราเนี่ยไอ้พลังงานที่เก็บเอาไว้เนี่ยะส่วนอื่นๆน่ยใช้น้อยสมองนี่มันเก็บได้น้อยแต่ใช่มากที่สุดเพราะนั้นเวลาคิดเราจึงเห็นหว่าเมื่อคืนน่ะนอนไปฝันไปทั้งคื น, นตื่นมาไม่มีแรงมันใช้ความคิดขณะนอนร่างกายไม่ได้ใช้พลังแต่ตัวจิตน่ยมันใช้เนื้อสมองนพวกนี้มันก็จึงมีตาก็ใช้พลังหูก็ใช้พลังจมูกลิ้นกายสมองจิตใจของเราวกนี้มันใช้พลังทั้งหมด จ, จึงมาหยุดใหยุดใจพลังนะการปลิกมือสร้างชัว่ววานยนการใจกายที่เป็นดุลก้อนอย่างาอันนี้กายเคลื่อนไหวใจรู้จิตใจมันมีพลังเรื่อยๆทุกครั้งที่มันรู้สึกรเราเี็นว่ามีกำลังใจเกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเราเคยท้อแท้นะผมเราทำไมานนเราเป็นอย่างนี้ท้อแท้นะปัญหาเก่าๆมากมายเหลือเกิน ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแต่พอเรามารู้สึกตัวปั๊บมันเหมือนกับว่ามันเป็นชีวิตของเราล้วนๆมันเป็นพลังเป็นกําลังของจิตของใจเราก็เลยมีความเห็นว่าการที่เราสร้างความเพียรเพียรที่จะรู้นื ร, รู้ตัวรู้สึกตัวเนะี่ยเพียรที่จะสํารวมแล้วมาระวังเรียกว่าสังวรประทานอันนี้มีคําอยู่ในภาษาบาลีสังวรสารวมมาไว้ะตาไม่ดูได้ก็ไม่ดูมันทําให้มีพลังขึ้นมา โอ้ไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังมันเงียบขึ้นมามันสงบขึ้นมามันเกิดกําลังใจขึ้นไหมเลยพราะสมองที่มันคิดเก่งนะเวลาเรากลับมารู้สึกตัวไม่คิดไปกับมันด้วยมันทวนกลับตัวเนี้ยมันคืนสู่สภาวะปกติของจิตนะที่เราได้ยินคำนี้มานานแล้วว่าปกติปกติปกติแต่ว่าปกติมันเกิดขึ้นอย่างไรเงี้ยเราเห็นมันมีกรรมาวิธีคือการฝึกสติปัฏฐานเนี่ยแหละมันทําให้เดินทางสู่ความเป็นปกติของจิตใจของเรา ใจปกติมอยู่เหนือทุกข์สุขเหนือทุกข์ใจปกติเป็นใจที่ธรรมดาธรรมชาติมันเป็นใจที่ว่างว่างวางๆางมันมีความเป็นกลางมีความสมดุลมันอยู่เหนือบนเหนือบาบบนก็คือสุบาบคือทุกข์พระศาสนาสอนเรื่องบุญเรื่องบาปสอนเรื่องสวรรค์เรื่องนรกสอนเรื่องมรรคผลนิพพานสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาสอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ การก้าวล่วงออกจากความทุกข์วิธีการดับทุกข์นี่มันก็อยู่ที่การฝึกหัดปฏิบัติของเรานะเป้าหมายชัดๆก็คือการที่เรามีความทุกข์มาแล้วเราต้องการที่จะดับทุกข์อันนั้นนะจะทุกข์เรื่องอะไรก็ตามมันก็โยมิหาทุกข์ก็ความคิดนะคิดแล้วก็แปลอดีตคิดแล้วก็แปอนาคตแล้วก็เพลี่ยนนะให้ฝึกจิตอยู่กับปัจจุบันมีสติอยูนะ่โดยการใช้กายเป็นนิมิตนะเป็นนิมิต เป็นเครื่องเล่ารู้เป็นเป้าหมายแต่ละคณะเพื่อเป็นแกนชีวัตเป็นกรอบเป็นการบอกทิศบอกทางให้จิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดินถูกทิศถูกทางแล้วก็สามารถที่จะเดินไปได้ด้วยตัวของตัวเองเรียกว่าอ า, อาตาฮิอัตโนานาโธการที่มันเดินมันพึ่งตัวเองได้มันมันเคยพึ่งวัตถุหนึ่งสองสามันเคยพึ่งบุคคลหนึ่งสอสาม แต่แ น, นี้มันกลายเป็นว่าเออมันมีนกลไกของกายของตัวชีวิตเราเราก็พึ่งตามสมควรแก่สติแก่ปัญญาของเราที่เกิดจากการฝึกกันหัดเมื่อการเดินทางแล้วพ้นไปพ้นไปพ้นไปมันก็สนุกแจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาจะทําดีทํางานอ่านหนังสือมันง่วงเห็นไหมตัวง่วงตัวม่วงที่มันทําให้เรานอนอยู่เป็นประจําเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของเมถุนธรรมนะ เมตุนทรรมก็คือการที่เรานอนมากๆมันนอนเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มตัวนอนเนีตัวนอนหลับตัวหลับหลงในความหลับนะอันนี้เป็นลักษณะของไสยศาสตร์วิชาการแห่งความมืดความมัวมันจะปรากฏออกมาเจตใจก็ไม่ฉลาดจะเหลวนะไม่ว่องไวหรือว่าผ่องใสอย่างนั้นเนื่องจากมันมัวสัวเอไ อ, อมันก็จะนอนเออไอมันจะหลับอย่างเช่นขณะนี้เป็นต้นก็ลองสังเกตดู หรือว่ามันไม่อิ่มด้วยลักษณะของออการกินการกินกินถัน่วลมก็ไม่อิ่มรสชาติต่างๆมันก็จะหากินได้เรื่อยๆหิวไปได้เรื่อยๆอยากไปได้เรื่อยๆรสชาติต่างๆโดวยว่าตาหูจมกูกเล่นกายใจของเราพวกนี้เป็นวัตถุ ก, กรรมคุณทั้งหลายทั้งปวงไม่อิ่มอโดยกามแม่น้ำํำเสมอโดยกาม กา ม, มันเสมอได้แม่น้ํามันก็จะเหมือนกับว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งติดยิ่งอยากยิงยงยงยงย่งอยากยิ่งเสพยิ่งเสพยิ่งติดยิ่งติดยิ่งอยากมันเป็นลักษณะของเมถุนทำทําให้เราจิตลงเสื่อมสู่ไฟเสื่อมสู่ไฟต่ำํำเรียกว่าจิตตกอย่างเี้ต้องยกขึ้นมาวิธียกยึดก็คือการฝึกสติมีความเพียนแต่ละขณะเพียนที่จะสํารวมและระวัง โดาวัดวารามต่างๆเป็นที่สำรวมบำนะเป็นกุศลเจตนานะก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสำรวมกายวาจาใจนั่นแหละเพื่อที่จะให้เรามีความรู้เนระรู้ตัวรู้สึกตัวกลับมาศึกษาตัวเรานะเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอย่างไรนะอะไรที่มันเป็นความทุกข์เป็นปัญหาเก่าๆเราก็ปลดนะแก้มันด้วยความรู้เนระรู้ตัวมันจะเป็น สติปัญญาไขเหมือนกุญแจดอกที่มั น, ม น, ข ไ, นไขได้ทุกเรื่องดอกเดียวแต่ว่าไขได้ทุกเรื่องครอบจักรวาลมันมีอยู่ก็คือตัวสติปัญญานั่นแหละพระสาทธรรมจึงบอกว่าให้ทุกคนทุกท่านชาวพุทธเนะี่ยมามีคุณธรรมตัวเดียวก่อนก็คือสติการรู้ความรู้สึกตัวสติปัญญาสติมีสติัญญามก็มีสติมีปัญญามันก็เกิดเี้นะ เพราะนั้นมีสติตัวเดียวคุณธรรมต่างๆก็เกิดมาจากตัวสติเราจึงมาเจริญสติฝึกสติกันตัวนี้เราก็เพียรภาวนาลงไปตัวเพียรเนีเราก็เพียรภาวนาเรียกว่าภาวนาประทานเราภาวนาขยันรู้ลงไปขยันที่จะเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้ดูลมหายใจท้องพองยุบอะไรก็ตามแต่ว่าป่าสุกตัเรามีแนวเคลื่อนไหวก็คือปิกมือตั้งขึ้นรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัว ถ้ามันนั่งเมื่อยมันทำเมื่อยก็เดินจงกรมการเดินจงกรมอันนี้สองมันก็ยิ่งใหญ่มากจนทั้งโอตสมเด็จจำมาเจ้าได้กล่าวสารเสวนเอาไว้ว่าวิธีปฏิบัติที่ทำให้สมาธิเสื่อมได้ยาวที่สุดก็คือการเดินจงกรมการเดินไปเดินกลับเดินแต่ละก้าวก็พอดีพอดีไม่ช้าไม่ไววางหน้าวางตาวางกายวางใจดาริจะไม่คิดอะไรดังนั้น แต่คิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นตัวหลงไม่ตามไปกลับมาสัมผัสกระทบความรู้สึกตัวฝึกตัวสติให้มันรู้ของหยาบไว้ก่อนของหยาบคือกายดุลก่อนธาสีนั่นนะนะจนกระตั้งเหมือนกับว่าเกิดความคิดขึ้นมันมีการว่ากใบมันก็รู้สึกได้มันก็จะละเอียดลงไปสติมากๆก็รู้ของละเอียดลงไปเห็นสั่งย่อจากหยาไปหาละเอียดนั่นนะจัแหละจนกระทั้งมันเห็นตัวที่มัน ทำให้เราหลงอยู่ตลอดตัวไม่รู้ตัววิชาตัวนี้มันจะเปลี่ยนตัววิชาได้ทุกขณะเมื่อรู้สึกที่ฐานกายจนถึงมันไปเรื่อยๆของมันอ้นนั้นเป็นธรรมะพาไปเป็นเรื่องปัญญาพาไปเรื่องสติมันนำสติปัญญามันนำเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้จะเกิดความเป็นไปเองที่มันทำให้เราเหมือนกับว่า เข้าใจเรื่องของพุสนาหลังจากที่เราได้ขยันรู้ลงไปขยันรู้ฝึกตัวรู้แห่งํานานให้มันว่องไวยังไม้งเป็นไวพิปฏิพานรู้รอบกองสังขารในโลกนี้มีตะกองสังขารที่มันแสดงออกเป็นพระไตรักทั้งหมดนั่นแหละเนี่ภาษาพูดมันเป็นอย่างนี้เวลาปฏิบัติมันเป็นยังไงเี้เวลาการต่างๆมันมาแล้วมันก็ไปมันมาทางไหนไปทางนั้นมันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นอย่างเงี้ยนะทุกคนเกิดที่ใจมันก็ดับที่ใจะ ทุกมันเกิดเพราะความไม่รู้อย่างเงมันก็เปลี่ยนที่ความไม่รู้เป็นตัวรู้ขึ้นมาทุกมันเกิดจากเวลาเราคิดมากๆอยเงี้ยอยู่ในนามธรรมมากๆโดยที่เรามารู้เท่ามารู้ทันมันเกิดการไม่รู้เท่าแล้วก็ไม่รู้ทันมันคิดปั๊บมันไม่รู้มันคิดปุ๊บมันยังไม่รู้อย่างเงี้ยนะเราก็เลยฝึกนะให้มันรู้สึกที่กายก่อนให้มันรู้ทันกายของอย่างก่อนจะมาตั้งความคิดเกิดขึ้นมามันว่องไวมากมันเป็นพลังที่มันไวมากสายฟ้าแลบเลย เราก็รู้แบบช้างกระดิกหูงูงแลบลิ้นเลยเหมือนกันเสร็ววินาทีทันกันพอดีภาษาธรรมะนะเคยได้ยินกรูบาจารย์รู้อ่านหนังสือว่าเวลารู้ธรรมะนะเพียงแค่รู้จางกระดิกหูงูงแลบลิ้นนะเกิดมาร้อยปีถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะอายุจะอยู่นานขนาดไหนก็ตามสู้เด็กเกิดมาวันเดียวแล้วมารู้เรื่องตรงนี้ไม่ได้นะเด็กถึงอายุจะน้อยแต่ก็รู้ปุ๊บ ทันทีทันใดแหละจนมีปฏิยาอการเกิดขึ้นมาเรียกว่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันธรรมชาติที่มันมีอยู่ในตัวเป็นอาการต่างๆแล้วมันก็ได้คําตอบเลยก็คือมันไม่หลงเข้าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาการของกายของใจคือคําว่าอาการจริงๆมันขยายความไปได้เยอะแยะไปหมดเลยเช่นนั่งแล้วเจ็บแล้วปวดแล้วเมื่อยนะ่ะคืออาการการกระทบสัมผัสเก่งกลายนี่ก็คืออาการ อากาศหนาวอากาศร้อนมาสัมผัส น, นี่ก็คืออาการป่วยเจ็บใกล้ไม่สบายนี่ก็คืออาการเหมือนกั น, นาอาการของกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คืออาการของกายปฏิกยาของมันแต่ของจิตนี่ก็คือเวลามันเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นไหมความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความมีชาลิษยาหรือว่า มากมายแล้วเกินเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปนะนั่นคืออาการของจิตนะที่มันแสดงออกมาแล้วมันเกิดมาในรูปรอยของความคิดนี่ก็เป็นอาการเหมือนกันตัวหลงตัวรู้ก็เป็นอาการของจิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าอาการมันจึงครอบคลุมมันเห็นโดยไม่ต้องมีภาษาใส่ลงไปภาษาศาสนาเรียกว่าเห็นเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนไม่ได้เห็นเป็นสมมุตินเรียกว่าปมัญญาภาวรสภา้ย ธรรมะมันมีหลายระดับมากเลยในศาสนาพุทธตั้งแต่ระดับของคุณธรรมศิลธรรมคุณธรรมศรรมิมมมลรธรรมนิ่มเกี่ยวข้องกับสมมุติแล้วก็จริยธรรมอันนี้เกี่ยวข้องกับสมมติบัญญัติร่วมกั น, นตกลงร่วมกันเป็นความสวยความดีของชุมชนต่างๆฝรั่งคิดแบบฝรั่งสมมุติแบบฝรั่งอย่างนี้นะอิสลามก็สมมุติแบบอิสลามอย่างนี้นะของคนไทยก็ สมมุติแบบคนไทยนะแบบชาวพุทธแบบไทยๆมีพราม์ปนด้วยนะก็มีแบบศาสนาพราหมณ์ศาสนาพิธีแบบพราหมณ์ต่างๆมากมายแล้วกันเรื่องจะมีแล้วนะของสมมุติปัญญัติแบบแบบการที่เราจะมาฝึกสติกันนะอันนี้ก็รูปแบบสมมุติอีกเหมือนกันการยกมือสิบสี่จังหวะเคลื่อนไหวก็เป็นสมมุติอีจกจย่างท่านมันเข้าการเคลื่อนไหวนะของจิตใจของเรามันเข้าไปสู่ความจริง อาการต่างๆที่แสดงออกมาโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวมือสิบสี่ชั้นไหวอันนี้จึงเป็นลนักษณะของปรัตถสภาวะธรรมที่มันแสดงปรากฏออกมาตัวสติปัญญาที่มันเคยฝึกมาแล้วก็มันมีพลังมันมีกําลังของมันมันก็ทํางานตามกฎของธรรมชาติตามกฎของธรมมงธรมะตามกฎของกรรมฐานที่ฝึกหัดมาเบื้องต้นก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณผมทํางานในระดับที่เราเป็นวิปัสสนาญาณแล้วนะตรวนั้นมันก็จะเดินทางของมัน มันก็จะเดินไปทิ้งไว้ข้างหลังแล้ทุกข์หนักนะเดินผ่านทิ้งไว้แป้งหลังเลยความคิดอยู่ไหนมันรู้อดีอนาคตนะมันไม่เคยได้สนใจหรอกบางทีถึงขั้นมันลืมไปเลยนะมันไม่ได้เสียแย่งแกล้งทำแต่มันลืมจริงๆริมันรู้ว่าคิดไปกระทุกแต่ว่าบางทีก็ระลึกเอามาใช้เป็นหน้าที่การงานต่างๆเอาสัญญาความทรงจําที่เป็นประโยชน์มาใช้กันอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จึงมาเรียนรู้ฝึกหัดกันตามกําลังของใครของเรา กำลังศรัทธากําลังของปัญญากําลังของความขยันกําลังของสมาธิกําลังของสติอันนี้เรียกว่าอีสหพละหต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราฝึกหัดตนสอนตนเมื่อเราเพียรที่จะเอาออกเพียรที่จะเอาความทุกข์ต่างๆความคิดต่างๆออกไปคิดดีก็ออกไป ค, ดดออกคิดไม่ดีก็ออกไปเรียกว่ากําลังภาวนาอยู่เราขยันที่จะกลับมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัว ทีนี้เราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีๆการรักษานะเพียนที่จะรักษาเนี่ยก็เรียกว่าอ น, อนุรักษณาประทานนะอนุรักษณประทานจ็เรียกว่าไม่หาห้าใช้สนะิบมันเป็นยังไงเรียกว่าหาห้าใช้สนะิบเช่นทำบุญเนียนะทำบุญทาดนะีแต่ท้ายสุดก็คือไปกินเหล้าสุกหรี่ทำลายสติปัญญา อันนี้เราว่าหา 5, 10, ห้าใจหสิบบางทีเราตั้งใจจะไม่พูดเพื่อภาวนางดพูดเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันใช้พลังงานของความคิดด้วยจิตมันคิดก่อนคิดแล้วก็พูดอย่างขณะ น, นี้กำลังพูดอยู่มันต้องคิดก่อนแล้วนะแต่ก็ตั้งสติแล้วก็ดูลองรอยภายในแล้วก็คิดออกมาแล้วก็พูดออกมาอย่างนี้นะให้สอดคล้องกับการทําวัดสวดมนต์ให้สอดคล้องกับคนที่เขามานั่งอยู่ในศาลา เให้สอดคน้นคนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีโดยจะพูดยังไงมันได้ประโยชน์แบบครอบจักรวาลเนี้ยมันก็ต้องเจตนาลำดับทำออกมาลำดับทำเพื่อพูดให้ได้ประโยชน์โดยเพราะความรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ภาษาพูดก็ต้องชี้กันให้เราทําจริงๆสัมผัสกระทบปลุตัวนี้ะตรงนี้ต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ต้องต้องเก็บรักษาให้ดีๆนก็เรียกว่า เมื่อมีธรรมมีธรรมก็ต้องรักษาธรรมลงมือกระทาลงไปมันก็จะเห็นลักษณะของการกระทาของกายของวาจาของจิตใจของเรามันสอดคล้องด้วยองค์สามนั่นแหละรักษาสามปลายหายสามโพธิหลงพ่อคาเขียนเคยพูดอย่างนี้เคยได้ยินได้ฟังขณะที่ท่านเทศตอนนี้ก็จามาแล้วก็เห็นว่าการรักษาสามปลายหายสามโพธนะิก็คือเรื่องมาของปลายลิ้นวาจาของเรานะี่ยนะ ไปจิตใจของเราแล้วก็ปลายร่างกายของเราการรักษาโดยการที่มีสติรักษากายวาจาใจเรียกว่าจิตใจเนี่ยเมื่อมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวปับ๊บจิตจะปกติทันทีเมื่อจิตปกติมันก็จะพูดเป็นปกติปกติมันพูดได้อาคติมันไม่ใช่ปกติมันอาคติเพราะรักเพราะจังเพราะเกลียดแค้นเพราะอะไรสาราพัดไปหมดแต่ใจมันพูดได้ปกติ ก็คือมีเรื่องที่ต้องพูดก็พูดพูดแล้วก็แล้วไปอย่างนี้นะมันจะเห็นอย่างนั้นถ้ามีเรื่องต้องพูดพูดแล้วได้ประโยชน์อักบูตไปแต่พูดแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่พูดมันพูดแบบอาประักบูตได้ว่าพูดแล้วเป็นบุญนะนะเป็นบุญไม่พูดแล้วเป็นชั่วเป็นบาปต่างๆอันนี้มันคือการสร้างสรรค์ใจคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทํามันก็เลยคิดด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาทําด้วยเมตตาปราปัญหาดีต่อกันมันจะเกิดขึ้นมาเองนะเรื่องวันี้ โดยการที่เราฝึกความรู้สึกตัวจเจริญสติภาวนานี่ยแหละเรียกว่าเทํากรรมาฐานหรือว่าเข้ากรรมาฐานเมื่อเข้าฐานแล้วฐานกายเวนาจิตธรรมก็ปรากฏออกมาให้เราได้เรียนเมื่อจะเรียนไปตามระดับขั้นตอนของมันเรียกว่ากายญานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติการเลือกรู้ไปในกายเห็นกายในกายด้วยนะ กายดุนก่อนมีกายในกายด้วยนั่นก็คือความรู้สึกที่กายของเรานะสติรู้กายนั่นแหละนั่นมันคือกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราหรือเขามันก็เห็นเป็นสักแต่ว่าเห็นกายสว่ากายอย่างนี้รั่วการเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นมันก็เห็นสักแต่ว่ามันไม่ใช่เราความเจ็บความปวดความเมื่อยนักกรรมฐานก็จะเห็นว่าออกนี่คืออาการของกายเมื่อทีเราก็ให้กายเขารับผิดชอบไป จนกระทั่งเห็นว่าโอไกลก็มีตบาบะมีนซีเหมือนกันพวกฝึกสั ม, มถัสนี่ยจะทำแล้วก็จานานมากเลยแต่ว่าวิธีการหลงพุเทเรียนนี่ไม่ต้องทนเมื่อเรารู้ว่ามันเจ็บมันปวดเนี่ยเราก็ดูดีๆเดี๋ยวจิตจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนเธอครั้งที่1 น, นะเปลี่ยนเธอไม่ไหวแล้วครั้งที่สองนะเอามาเพิกเอามาพาดกินนั่นไม่ไหวแย่นะเดี๋ยว เ, เหลือไม่เท่าเก่ามันจะครั้งที่สมอย่างเงี้ยสมัยฟัง มันจะคิดขอเปลี่ยนแล้วก็อ๋อลู้แล้วความคิดนี่นะอคนนี้สความคิดนี่นะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนนะแต่ถ้าเราอ่อนแอปอบางสติไม่พอนะทําตามความคิดมันก็ทันทีทันใดเหมือนกันความง่วงเหงาหานอนก็เหมือนกันหรือว่าบางคนติดกาแฟติดเหล้าบุหรี่อะไรก็ทั้งนั้นแหะนะแต่นะความคิดมันขอแล้วเรามีสติอยู่เราจะเห็นว่าไม่ทําตามมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เข้าไปเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วก็ก็ไปเท่ากับชนะตัวเองชนะ คนอื่นร้อยครั้งพันหนมันสู้ชนะอากาเรเหล่านี้ไม่ได้ตัวเองมันชนะตัวเองเราได้เห็นเวทนาสก่าเวทนามันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาอาตมาหรือผมมีความเชื่อว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นอาการที่ว่าเราจะใช้เวลาเจ็บมากๆนอนในโรงพยาบาลในห้องไอซีหรือเวลาเกิดได้รับบาดเหตบต่างๆนะร่างกายของเราจะมีกลไกอยู่ช่วยตัวเองอย่างเช่นเมื่อวานนะ่ะนะอาตมาโดนพึ่งมันต่อยอยู่สองตัวสองตัวเลย คือร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยต่อยอยู่กับมันะนะั่นแหะมันกินน้ําตรงหน้าไอ้สลาร้อยปีหลวงปู่เทียนใครที่อาศาัยหอยู่ทุกวันเนี้ยชื่อว่าสลาร้อยปีหลวงปู่เทียนทีนี้มันมีกระถางบัวคนก็เอากระถางบัวมาให้มันมีน้ําอยู่แล้วก็ทุกครั้งเดินเข้าเดินออกผ่านได้อย่างสบายแต่มาเมื่อวานเนี้ยไปคุกกีอยู่กับคนงาน ไปคุกคีอยู่ไม่รู้กลิ่นตัวใครมันติดตัวเราไปหลังจากมาคุกคีกันสักพักมันจับไม้จับมือนอยู่ใกล้เราแล้วก็เดินเข้าไปมันจํากลิ่นเราไม่ได้มันต่อยเราเลยทันทีเลยไอ้มาได้เห็นว่าเออมันต่อยหัวเทียงตรงเนี้ยไม่บวมด้วยนะยอมไหมไอ้มาคนนี้โดนต่อยแล้วไม่บวมเฮ้ยไม่บวมเลยไม่บวมตรงนี้ด้วยตรงแขนเนี้ยมันต่อยคือทตีแรกมันต่อยแป๊บมันก็ยืนโดนอ้าว ไอ้มันต่อยได้พอเออมันมันต่อยปั้มมปล่อยกิ่นเลยนะเออแปลกมันมีกลิ่นึบเข้ามาเราสัมผัสได้มีกลิ่นปุ๊บก็มาแล้วเสร็จแล้วไอ้ทีก็บินบินอยู่เขาวิ่งรีใส่ทันเทียวนะแล้วก็มาตอมบางตัวก็ต่อยบางตัวก็ไม่ต่อยบางตัวแค่บินชนเฉยๆเราก็เห็นว่าเออมันมีอาการเจ็บอยู่รู้สึกได้แต่ว่ามันแยกกันดีจังเลยอะคือกายมันเจ็บแต่ใจมันรู้อยู่มันธรรมมดดดดาาแล้้วไไไ่่ปกอเพิงนะ ก็เออนีมันอยู่ด้วยกันเนาะ อ, อยู่ด้วยกันโดยไปสองทีประมาณเนี่ยเรามันก็เป็นแล้ษณะของการแยกเห็นเนาะเวทนาส่วนหนึ่งกายรับผิด ช, ชอบไปใจไม่ต้องรับผิด ช, ชอบเนียตรงเนี้ยเพราะ น, นั้นนักกรรมฐานจะไม่โอยอ่ะนะไรมาเคยเจอนักกรรมฐานที่นี่โอยก็คือขอภอภัยคุณนายต้อยก็ฝึกกรรมฐานอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็ทําบุญทําทาน เวลาเขเป็นมาเลงม้างก็ร้องมะเร็งมันสั่งให้ร้องก็ร้องแล้วก็หาพ่อหาแม่นะแม่แม่เอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วข อ, อยาข อ, อยาประเภทนี่ต้องอัดหมอฟินเข้าไปถ้ไปโรงพยาบาลเนนะี่ยแต่อยู่ที่นี่นะักรรมฐานก็ต้องใชนะ้กรรมฐานก็คือมีสติรู้เนะื้อรู้ตัวรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นกับกายตรงนั้นนะเวลาเราฝึกนําจะมีพัฒนาการแบบนี้เกิดขึ้นไหมแล้วกเกิดเห็นจิต เวลาคิดเนี่ยเราจะยึดว่าเป็นเรามากเลยนะอย่าไปเชื่อมันนะมันจะเป็นแลน้วนะาานนของทิฏฐุปาทานเป็นนะของทิฏฐุปาทานคืออุปาทานในทิฐิในความเห็นที่เกิดจากความคิดใช่ไหมจะทํามันเกิดแล้วนะของอัตตวาทอุปาทานเราเรียกว่าอัตตวาทุปาทานก็คือยึดมั่นในคำพูดต่างๆพูดแล้วไม่แล้วไปองั้นมันจะกลายเป็นเรื่องของอัตตวาทุปาทาน ยึดถือในคำพูดต่างๆกลายไปเรื่องของความทุกข์ในท้ายสุดแดนแล้วก็เห็นลักษณของอาการธรรมอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมารูปมากระทบตาเราเสียงมากระทบตาอะหูเราอย่างเงี้ยลากนี้มันมีอาการต่างๆที่แสดงออกมาเป็นความพอใจไม่พอใจเงี้ยมันไวมากเลยสายว้าแลบเงี้ยเราจะได้เห็นขณะที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมนละ เราก็จึงมีความเพียรลงไปมีสติมีอาตาปีสมชาโนสติปมาวิเนยะโลเกอปิชาโมนัสสังก็คือมีความเพียรที่จะดูที่จะรู้ความพอใจฉันทะเบื้องต้นเปลี่ยนเป็นอาตาปีคือเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์นั่งเดินยืนนอนตังตือนยันหลับเป็นเรื่องของความเพียรตลอดเวลาเพียนเฝ้าดูรู้เห็นอาการต่างๆของกายของใจของรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกไปนีย มันเป็นอาการของโลกใบนี้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งร่างกายของเราคือโลกใบนี้เนงความคิดก็คือโลกใบนี้เองโลกเกิดจากการปรุงในความคิดของเราทั้งหมดเลยแ้นโลกจึงมีอารยธรรมมีวัฒนธรรมมีกฎระเบียบข้อบังคับมีมารยาท ต, ต่างๆมากมายเพราะนั้นมารยาทคือกิเลสละเอียดนั่นเองมารยาทนี่คือกิเลสละเอียดถ้าไม่มีมารยาทคือกิเลสละเอียดที่ก็จะมีมายามาแทนลองดูดีๆนะมายา มมาสลาอายออายาพอเติมมานเข้าไปดังนั้นนะมันเป็นมานที่ญาตราเป็นมาลยาติทันทีเพราะฉะนั้นมานที่ญาตราเนี่ยมันคือกิเลสละเอียดตัวมารละเอียดมีอยู่เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วโอ้หไอตัวพวกนี้นเป็นตัวละเอียดละเอียดที่มีอยู่ในตัวเราถ้าหลงนิดเดียวเผลเไปนะโยมอะไรก็ตามถ้าไม่รู้สึกตัวนี่ยมันกลายเป็นภพภูมิต่างๆหมดแล้วอะ ตรงนี้เราจึงมาเรียกว่าให้มันเหนือเกิดเหนือแก่เ น, นือเจ็บเหตายตามครรําสอนขององค์สมศรรศรรเด็จสัมมาสูตรเจ้าในพุทธวิญญาณกล่าวไว้ชัดเลชีวิตที่เหลืออยู่จงทําเป็นวักณะของพ่วงแพรพายถอดคําไปสู่ฝั่งของพระนิพพานโดวยว่าในพยานชาตินี้ยมันจะต้องบังเกิดได้ไม่ไม่เกิดจริงๆตลอดไปก็ขอให้เกิดเพียงแค่ขณะต่อขณะก็ยังดีนะ มันไม่ทั้งหมดแต่ว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวนี่จิตใจเราคืนสู่สภาวะปกติตัวนี้ที่เรียกว่าอารยธรรมที่มันเกิดขึ้นมาตามแล้วนะของรูปแ ม, ม่น้ําต่างๆหลังจากที่ไหลลงไปความคิดไหลลงไปทวนกลับมาตรงนี้พระเจ้าได้พูดคําว่าลอยถาดทวนกระแสหลังจากที่ฉั้นข้าวของนางสุชาดาองค์สมเด็จสมัเจ้ า, าอธิษฐานจิตใช่ไหมขอให้หนาถาเนี่ย ที่เราทานข้าว完了เนะี่ยชันข้าวล้วนะ่ยถ้าจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพันก็ขอให้ถาด น, นี่ยลอยทวนกระแสแม่น้ําเงี้ยนะแม่น้ําที่เจ้าวางถาดก็อยู่ที่พุทธคยาเป็นแม่น้นําเนรัญจลาที่เรารู้จักกันเดียนะลอยถาดลงไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะบรรลุขอให้ทวนมันก็ทวนไป ก็จมลงใช่ไหมหลวงพ่เทียนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอันนี้ก็หมายถึงความคิดเน่ยเหมือนแม่น้ำมันมาไหลลงตามถ้าเราจะมารู้ธรรมก็เหมือนกระถาดนะเทวเจ้าวางลงไปนะก็ต้องทวนมาคือทวนความคิดอย่าทาตามความคิดให้กลับมารู้เนะรู้ตัวที่ฐานกายนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะเลยส่วนตัวผมรับมาเชื่อตรงนี้เนะชื่อว่าการทวนความคิดออกมาหาความรู้สึก มันจะทำให้เราทุกข์ลดลงจริงๆเราก็พิสูจน์กันตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือคําพูดในเจ้าวันนี้ที่พูดให้ฟังเฉห้ว่าเราตัวความคิดจริงๆแล้วก็หลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆต่างก็มองเห็นตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเราตัวนีสามารถเจ้าบอกแล้วว่าในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเจอแล้วเจ้าจักทาเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนั้นก็คือเราได้ จบลงแล้วเรื่องปัญหาเรื่องของอุปทานเรื่องของความคิดต่างๆเราได้ยุติลงแล้วโดวยการลื้อมาเลยคองเรือนของเจ้าเรารื้อออกมาแล้วก็หนะมายถึงว่าความคิดการปุ่มกันแต่งต่างๆอันนี้ก็คือโดยความคิดเห็นโดยการสัมผัสที่เห็นว่าทุกคนก็สามารถที่จะเห็นหรือว่าสามารถที่จะทำได้เหมือนกันแล้วก็ขนานี้เลย จึงไม่ต้องรอจะไปนิพพานเมื่อไหร่ที่ไหนก็คือที่กายที่ใจของเราขณะนี้ขณะนี้เป็นปัจจุบันนี่แหละ เ, เห็นว่าสมควรเวลาตอนนี้ก็พูดมาประมาณ36นาทีก็ขอให้พวกเราที่ใช้โอกาสวันหยุ ด, ดายาวๆหรือว่าบางคนก็มาตั้งใจที่จะฝึกหัดปฏิบัติเจริญสติปัณณแนวเคลื่อนไว้ก็ขอให้ใช้สถานที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้ใช้กายใช้ใจของเราที่มีกาลังอยู่ ฝึกความรู้เนื้อรู้ตัวจนกรตั้งเหมือนกับว่าความทุกข์ลดลงลดลงลดล ง, รลงหรือว่าถึงขั้นที่แล้ไม่ทุกข์อีกตลอดไปก็ขอให้ได้เจอโดยทุกนากันทุกท่านทุกคนนั่นเอ